50 languages. 4ไปเที่ยวกลางคืนที่นี่มีดิสโก้เทคไหมที่นี่มีไนท์คลับไหม คท์คลที่นี่มีผับไหมคย์อัธยพหเยนีที่โรงละครมีอะไรอาจรังกมานชัตเอกคีย์จลเรอยนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรอาจะซีนีมาคารเวชคีย है ่ห เยนีที่โทรทัศน์มีอะไรดูคืน้วมีอะไรนนี้ทีวีมีอะไรดูคืนนีมีอะไรดูลืนนี้ทีมีะไรดูคืนนี้ทีวีมีอะไรดูคนนี้ทีวอรดูคืนนี้ทอนนี้มีอะไรดูคนนี้ทีวีมอคี้มีอะไรดคีมีอรดูอรดือนมีอรดูีอไ ห, หืี ม, ดดออมคะค คีเขยิลด์เดย์ฮรดิฉันต้องการนั่งข้างหลังแม้ศัพท์ตัวปิดชี้แบทหน้าจวบด้าฮะแม้ศัพท์ตัวปิดชีาจวบดฉันต้องการนั่งตรงกลางแม้วิจารณ์เจเหแบทหน้าจวบด้าฮะแม้วิจารณ์เจเหแบทหน้าจวบดฉันต้องการนั่งข้างหน้า คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมคุณช่วยแนะนำด่อคุณช่วยแนะนำดีฉันหน่อยได้ไหมคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหมคุณช่แนะนำดิ่อยด้มคุณ่ิฉันน่อไหมคุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหคุณช่วยดัด้แิ่อยม่ัอห่ยะดนดุ้ดฉันหได้ไหมุนดห่้คุณช่วยแนะนำดิห้ดิันได้ไหม แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมเเหนือทีเดียวคุยกลฟด้ามีดานแถวนี้มีสนามเทนนิสไหมเขตเหนือทีเดียวคยเทนนิสด้ามดานแถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหมเขตเหนือทีเดียวคุยทารันท่าล